จะ ไ, ไ, ป, เไปเงีบยเราจะแควทําดีท้ตลยตายจะไป็นแคสตสวหนึ่งศจนย์สองห้าหรือันนี่นสิ 1, 0, 2, 5หรือ 20, ้าโลก เป็นนักเรียนนับาลฝันในฝันวิญญาที่ไม่อยากจะนอนหลับฝันเลยเพราะเมื่อฝันคราใดโลกมักจะต้องฝันคล้ายอยู่บ่อยครั้งจนทำให้โลกวิตกสะพึงกลัวเพราะยังหาทางแก้ให้หายขาดไม่ได้จะต้องขอส่งรเรื่องรานี้มายังผู้ที่ฝันเป็นและกับฝันเก่งสุดยอด จนสามารถเปิดโรงเรียนสอนฝันได้ครับที่เรารู้จักคุ้นเคยไปทั่วโล ก, กว่าโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาคราับที่สามารถเจาะลึกถึงสาเหตุแล้วก็สาวหาถึงเหตุผลเะเลิกคาตอบชิ้แจงชัดในแง่ของกฎแห่งกรรมได้ยากไม่มีใครเสมอเหมือนครับซึ่งก็คือคุณครูไม่ใหญ่ <laughs> ถูกต้องจ้ะสิ่งคือครูไใหญ่ลูกเคารพรักเป็นที่สุดค่ะมันต้องเชียกันก่อนวัั้พรุ่งนี้เวลาไปฟังธรรมก็ อ, อย่าลืมไปถวายกําลังใจท่านอย่างนี้แม่ของลูกต้องอยู่อย่างลําเคงมาตั้งแต่เด็กเพราะพ่อกับแม่ของท่านอะเลิกกันจึงถูกทอดทิ้งให้อยู่กับอาแม่จึงกลายเป็นเด็กกำพร้าตัวเล็กๆ ที่มีความลำบากมาตั้งแต่อยู่ได้เพียงสองขวบครั้นโตพอทำงานได้แม่กระถูกอาใช้ให้ทำงานทุกอย่างในบ้านไม่ต่างอะไรกับทาตต้องขนข้าเปลือกเขามาทำกรอกหมอ้อให้ได้วันละสิบกิโลกรมัมโอ้โหตั้งแต่เด็กเลยเนาะ oh. ย่างนี้ก็แข็งแรงดีนะ <laughs> แเาก็ต้องเดินไปหาบน้ำจากที่ไกลๆโหฝึกแต่อย่างนี้ยังได้ประโยชน์จะบางคนยกน้ำหนักสิไม่ทราบมีกรรมเวีนอะไรนะเออยกแล้วก็ไปเดงเงินนะไปเสียเงินยกด้วยแล้วก็อย่างนี้ก็ตามข้าวเนี่ยยังได้รับประทานครับไปหาบน้ำก็ยังได้น้ำใช้ จะยกน้ําหนักไปดิได้เงื่อนะ้เออรมมันก็แปลกแนละ้วเอาไปคิดไม่แปลกนะนี่มาใส่ตุมทุกตุ่มให้เต็มทุกวันเลยสิบโลนะเพราะั้ต้องแข็งแรงมากแม่แม่รูกจะทำงานเหนื่อยหนักแค่ไหนก็ไม่ได้รับความสงสารหรือเห็นใจเลยนําซ้ำหากไม่สบอารมณ์คุณอาแม่ก็จะถูกฟาด ได้มไม้คานหาบน้ำอันใหญ่ๆฝ <c oughs> ึกแรงประทะกัน <c oughs> นี่ยังดีนะ <c oughs> ที่คุณอาเนี่ยท่านช่วยเอาไม้มาฟาด <c oughs> โดยเราไม่ต้องออกแรงอ่ะ <c oughs> จะไปดูนักมวยเตะกระสอบนี่นะ <c oughs> <c oughs> ต้องออกแรงทําทรมานตัวเองตุดปยกันตุกอย่างเ้อาลองลองเลกดู <c oughs> อาจจะไปนนึกไปแปลกนะ <c oughs> นี่ยืนอยู่เฉยๆแล้วคุณอาช่วยอืมตุบให้แต่ถ้าต้องช่วยตัวเองเนี่ยไปเตะกระสอบตุบเอออันนี้มีบุญกว่าเนาะถูกโคกหัวแรงๆ อ, อืสุดยอดเลยเนี่ยเข็งแรงเนี่ยตั้งแต่ส่วนบนเลยลงมาเลยถึงพื้น้าเท้าก็ต้องเดิน หัวเนี่ยมันเดินไปน<ก>ได้ใจแข็งแรงนะคุณนาช่วย<ก>มันช่วยโคกไโคกด้วยถังน้ำบางครั้งแรงมากนี่ถังแตกเลยถ <laughs> ังบุบไปเลยอืมแต่ปรากฏว่าถังแข็งแรงกว่า <laughs> หัวเลยแตก <laughs> เลือดออกอเลือดออกแล้วนี่นะ เพื่อแม่เพื่อให้คุณนาเสียกำลังใจเลือดคือน้ำจากร่างกายออกข้างบนศีษ ะ, ะจะมีน้ำไหลออกทางตาด้วยออรอ้ยรองห้ยืนร้องไห้ <G l ap> เออคล้ายๆช่วยให้คุณอาสบายใจ hey, hey. คือออกทั้งหัวออกทั้งลูกในตา อ, อ้าไม่คิดไม่แปลกนะ <G l ap> อ, อ้าลองคิดลอ ง, ลองดูสิ ท, ที่จริงตอนนั้นเราไม่ควรเสียน้ำเพิ่มขึ้นนะเพราะว่ามันออกไปทางเลือดแล้วเนาะควรจะเก็บน้ำตาไว้นะเ <G l ap> อ, อออันนี้แสดงว่าท่านแข็งแรงมากนไห น, หนยะออกไปแ ล, ะละ้วระบายออกให้หมดเลย ap, <G l ap> <G l ap> แม่ๆจะอยากเรียนหนังสือมากจะก็ถูกข้าม แล้อนุญาตอนุญาตให้ไปเรียนได้แค่อาทิตย์หนึ่งเรียนกี่วันวันเดียวเรียนวันเดียวถูกต้องจช่ไหมหนึ่งวันต่อสัปดาห์คือต่อให้วันเดียวอต่อให้เพื่อนคือรู้ว่าแม่ฉลาดอยู่แล้วก็<ๆ>ไม่ต้องไปเรียนเยอะหรอกเขาแค่อาทิตย์อาทิตย์ละวันเออาทิตย์ละวันก็แทงตลอดแล้วเสื้อผ้าแม่ก็ไม่ค่อยจะมีใส่ปวเสียวเนาะ ถึงขนาต้องไปคุยหาเสื้อผ้า uh huh. บางสกุลบล็อกขยะพาบางสกุลอ uh huh. คือผ้าที่เขาทิ้งในกองขอยะเออนี่เป็นนักรลตตั้งแต่ตอนนี้เราไม่คิดไม่แปลกนะเออชีวิตเหมือนบรนพชิดเลย uh huh. ก็ต้องไปหาอย่างนี้เหมือนกันอ uh huh. แสดงว่าเดินตามเส้นทางบรนพชิต <c oughs> แล้วก็เอามาซัก uh huh. เอามาเย็บเอามาใส่ แม่ต้องทนลำบากกายทรมานใจร้องไห้แทบทุกวันจะต่างกันจากปัญญาชิตตัวเนี้ยแต่ปัญญาชิตไม่ร้องไห้ได้มามาซักมาใส่แล้วพึงพอใจในสิ่งที่ตัวมีอยู่ผ้าบางสุกูลจีวรแล้วปลื้มได้มานี่อต้องมีพิธีกรรมนะผ้าจะกองขยะมาเนี่ยไม่ธรรมดาหรอกนี่แล้วเอามาทํำธงชัยของพระอรหันต์ดีๆเลยนี่ แล้วก็ใช้ได้ชุดนอนชุดเที่ยวชุดเดียวกันร้องไห้แทบตัววันอีกทั้งน้อยใจแต่โชคชะตาฉันหนึ่งกับปฏิญาณว่าไม่ว่าจะตายร้ายดีอย่างไรก็จะเลี้ยงดูลูกอย่างดีเลี้ยงดูลูกอย่างดีไม่ขอทอดทิ้งลูกของตัวอย่างเด็ดขาดเราจะพาลูกไปทปําบุญไม่ให้ลําบากอย่างนี้เลยจนกระทั่งแม่อายุได้ยี่สิบเอ็ดปี ก็คิดได้ว่าถึงเวลาแล้วว่ามาโนปณิทานที่ตั้งใจมาตั้งแต่เล็กๆเราต้องทำให้สมปรารถนาแล้วก็ในสุดก็มาเจอเทพพระบุตรนี่ก็คือพ่อของลูกเองอแหละแก็แต่งงานกันมานี่ด้วยความรักนี่ยังมีพยารักถึงแค่เก้าคนสองหนึ่งเก้ายี่สิบ็ดปีหลังจากแต่งงานอย่า ก, กินกันมาได้ระยะหนึ่งแม่ ท่านเป็นคนช่างสังเกตท่านก็บพบพบกับความทรมานใจอีกคือพแม่เน่ะมักจะคือจะโดนพ่อใช้วาษาเชื่อเฉอนแม่ตลอดเวลาอ่าไม่มีเปลี่ย น, ยนชอบตะวาดคือถ้าตวาดแล้วชอบมาก<อ>แล้วมีความชอบดูถูก ด, ดูแคลนแม่ต่างๆนานานวะ่าเป็นคนจน มาเต็ตัวออืเกิดมั้มก็มาเต็ตัวทุกคนเลยบางครั้งก็ด่าเกิดเลยไปถึงโน่นนี่บานพระบุรุษบานพระบุรุษนี่ทําให้แม่ตั้งทนชอกช้ำและเจ็บช้ำแน่ใจเงินทุกบาททุกสตางค์พ่อเจ็บไปหมดไม่เคยให้เลยพ่อไม่เคยให้แม่ใช่เลยแม่พ่อไม่เคยเปลี่ยนเลยแม่จึงต้องหาเงินใช้เองอแม่คิดที่จะรวยจากอะไระ ขายของถูกต้องะแล้วควรจะขายอะไรอ่ะขายขนมถูกต้งองแจ้เออซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกมากค่ะเพราะพ่อเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างนี้กับใครเลยในโลกยกเว้นจะเป็นแต่กับแม่เท่านั้นแหละอย่างเงี้ย<อ>พ่อไม่เคยเปลี่ยนเพราะนั้นจะพอกว่าพ่อเปลี่ยนไปไม่เคยเปลี่ยนเลยปกติพ่อรอุ่นนี้นะไม่ใช่เป็นอย่างนี้นะ<อ>กับคนอื่นเนี่ย<อ>จะเป็นคนคุยตลก<อ>คุยสนุกอารมณ์ดี เป็นคนใจบุญใจดีแล้วพ่อจะดีกับทุกคนแถมไม่ได้งกเงินแต่ถึงขนานั้นเราก็ยังมีลูกด้ยวยกันเก้าคนแล้วพ่อจะเป็นคนส่งดีลูกๆทุกคนเรียนจนจบครบทั้งเก้าคน<อ>แต่เหตุที่พ่อมาเป็นอย่างนี้จะเป็นเฉพาะแม่ดาริ่งเนี่ย<อ>จึงทำให้แม่ถึงกับอธิษฐานว่าชาติหน้าฉันใดถ้าเป็นผู้ชาย ถ้าเป็นผู้ชาจะดูแลอย่างดีไม่ได้บอกว่าจะเป็นโสดแล้วไม่แต่งงานขอให้เจอพ่ออีกเลยแต่ว่าคนอื่นจะไม่เกี่ยวนะคนอื่นเจอได้แม่จิงได้แต่ยอมทนเพื่อลูกไม่คิดทอดทิ้งลูกแม่ต้องทำงานหนักมากจนสุขภาพเริ่มอ่อนแอลูกในรู้สึกสงสารแม่มากๆเลย ลูกนี่อยากให้แม่แข็งแรงมากๆไม่ ม, มีอะไรจะให้แม่ในจากอยากให้แม่แข็งแรงเลยแม่ป่วยกระซอกกระแสะปวดตามข่ขกระดูกปวดท้องได้จอหมอหาสาเหตุไปเจอนานถึงเจ็ดปีซึ่งทุกวันนี้ท่านก็ปวดส้นเท้าและฝ่าเท้าข้างซ้ายมากปวดเหมือนมีหนองหรือก้อนเนื้ออยู่ข้างในทวันนี้ท่านรักษาด้วยกันนวด ก็ยังไม่ดีขึ้นพอัองลูกในช่วงิทนอายุหกสิบปีเสร็จเคณะที่ซ่อมปลั๊กไฟไม่ได้สับคัดเอาสวิตช์ออกได้เกิดปุบติเหตุสายไฟหลุดมือและกับปลายสบัดมาพาด ท, ที่หน้าอกนั่นพอดีอเขาไปานโดนไฟดูดตัวแข็งเกร็ ง, งชักและล้มตั้งยืนปุ๊บนอนํำลายฟูมปากอยู่กับพื้นสลบไม่ได้สติเรียกใไรก็ไม่ตอบสนองใด จนน้องชายทั้งปั๊มหัวใจให้ท่านนานถึงห้านาทีกว่าท่านถึงจะได้สติเมื่อท่านฟื้นขึ้นมาก็บอกว่าขณะที่ท่านสลบไปท่านได้ไปยังบ้านไม้เรือนไทยหลังหนึ่งเจอสาวสวยนุ่ ง, งผ้าแบบโบราณกําลังตามข้าวอยู่และกําลังมุดรั้วเข้าไปคุยด้วยหวังจะเข้าไปช่วยตามข้าว แต่บังเอิญได้ยินเสียงลูกชายจะก่อนเรียกซะก่อนอจึงทำให้ท่านมุดออกมาใหม่<อ>แล้วก็บรรู้สึกตัวมีสติฟื้นกลับมาถึงทุกวันนี้ต่อมาเมื่อพ่ออายุได้เกิดเจ็สิบปีพ่อเริ่มมีอาการฟันแตกและเริ่มทยอยแตกติละซี่ยังหาสาเหตุไม่ได้<อ>นี่สงสัยคุยกับแม่มั<อ>้งวอฟันแตกฟันก็เป็นแหลมๆ ม, มีการปวดและเคี้ยวข่าไม่ได้หมอจึงให้ ถ อ, อนฟันกีซิ่หมดปากเลยแล้วก็ใส่ฟันไม่ใช่ของปลอมของแทนแท้แทนแทนฟันแท้ทั้งปากเลยใ<อ>ส่ฟันแทนให้<อ>คุณยายโลกทั้งชีวิต ท, ท่านมีนิสัยโปรยเสน่ห์ทำให้ท่านมีดาริ่งหลายคนแต่บรรดาชีวิตคุณยายก็บาปลูกบ้านอยู่คนเดียวใ ก, กล้ๆกับแม่ของลูก กรทั่งท่านอายุได้หกสิบหนึ่งปีก็มีอาการเจ็บที่คอแต่ท่านก็นไปซื้อยากินเองก็เรื่อยมามเป็นหมอรักษาตัวเองอย<ม>่างถ<ม>้าเป็นหนักกิจต้องนำท่านส่งโรงพยาบาลแล้วก็เพราะว่าท่านเป็นมะเร็งลำคอระยะสุดท้ายเสียชีวิตลงมาอายุได้เจ็ดสิบหนึ่งปีส่วนตัวลูกเองอืม ม, มาถึงเจ้าตัวแล้ว<ม>เกือบเอาชีวิตไม่รอดท้งแต่อยู่ในท้อง<ม>เพราะพ่อ ไปเรียกคุณหมอมาหมอคันั น, น่ะหมอจำเย่หมอจำเย่ใช่มาทำแท้งเอาลูกออกอแต่ลูกไม่ยอมออกโอโหัวก็พอดีบอดีเยไม่อ่อนไม่แข็งพ่อเหตุผลของพ่อคือมีลูกมากแล้ว น, นี่ออตกลงลรอดไหมรอด รู้ได้ไงเขียนเชอเขียนเช <laughs> อ้ อ, อก็ลืมไปเนะี่ยแต่ได้ชะบุญอย่างไรก็ไม่ทราบเพราะหมอมาเห็นแม่เขาต่นนั้นแหละเห็นแม่ของลูกอื ม, อมไม่ลองอใส่ชุดดำ บอกไร้ไม่ต้องใส่ชุดขาวนี่รู้สึกเลิกไม่ดีคุณหมอจึงไม่ยอมทำแท้งให้และก่อนจากไปบอกว่าลูกเป็นเด็กมีบุญ<ม>อายุต่อไปเถิด<อ>ซึ่งพอลูกเกิดมาลูกก็กลายเป็นหนูน้อยมหาสัจจัน์ลูกมีฟันขึ้นสองซี่ข้างล่างได้ถุนได้ถุน <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่เราเต้ง น, นะัง แ, แต่แรกคลอดเหมือนฟันก็นต่ายเลยคนะ่ะ จึงกลายเป็นมหาเสน่ห์ประจําตัวทําให้หมอตํยาเห็นแล้วเกิดหลงรักแล้วก็เอ็นดูลูกมากคือข อ, อไปเป็นลูกออแต่อั น, นิจจาหมอขอเอาไปเป็นลูกแม่ให้ไหมไม่ยอมยกให้พรารักลูกและนับจากนั้นมาลูกก็กลายเป็นที่รักที่เอ็นดูของทุกคนในบ้าน โดยเฉพาะ พ, พ่อซึ่งรักลูกมากนี่ความรักออกมาอยู่ข้างหน้าออกนอกหน้ า, น อ, นาออกนอกลูกนีตาจนลูกนั้นไม่ค่อยสบายใจกลัวพี่น้องคนอื่นจะมีผมได้ออืด้วยความรักความอบอุ่นที่ลูกได้รับจากทุกคนในครอบครัวใหญ่ครอบครัวนี้ทําให้ลูกไม่รู้สึกขาดอะไรเลยเนี่จนยจึงการเป็นพูดี่มีสุขภาพจิตที่ดีมาก แม้จะเป็นเจ้าของฟันกระตายเ็นดชทางกลับการสุขภาพกายสิกลับตรงกันข้ามกันอย่างสิ้นเชิงคือ<ม>ลูกมีอาการป่วยกระเซาะกระแสะมาตลอดครับแถมยังประสบอุติเหตุบ่อยๆ บ, บ, บ่อยมากมและมักจะโดนที่ศีรษะเป็นประจำ เ, ออเช่นอายุแปดขวบลูกป่วยเป็นเยื่อหุ้มสมองอักเสบเมื่อหายป่วยก็มีอาการข้างเคียง คือเลื่อนมาปวดที่ข้างหลังแล้วเลื่อนลงมาเรื่อยๆถึงมาปวดเอวเออแล้วก็เป็นตลอดจนถึงปัจจุบันนี้อพออยู่ได้สิบสองปีนี่อะไรหล่นอะไรหล่นทับบุญหล่นทับหรืออะไรหล่นมีดปลาตกใส่ขาทาให้เอ็นก้ท้าซ้ายขาดพอไปหาหมอ หมอก็ดีเหลือกเกิน ร, รีบเย็บปิดแผลแต่าลืมต่อเส้นเอ็นให้ทำให้ลูกมีอการปวดติ่กข้างหัวแม่โป้งซ้ายมาจนถึงทุกวันนี้พอายุสิบสี่ก็ปีก็ประสบอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์ <c oughs> ชนฝาบ้านอ่านหลังนิทานต่อแล้วนึกภาพมอเตอร์ไซค์ชนฝาบ้านโ <c oughs> ครมอะอะไรเกิดขึ้น รถกะลุฝาบ้านไปฝาบ้านล้มลงเอ่อขูดอัไหนไอสระเหมือนก็ตายขูดพระพายเจ้ก็ตั้งหนังไอสระเอเปิร์อเปิดไปถึงไหนอะเอาไปกองที่ท้ายถอยสุก้องแล้วฟันสุดเล็บของลูกที่เกิดมาเนี่ย หักมากเลยอืมทุกคนตอนนี้อยากให้เจอฝันหล่อไม้มไม่ไม่อยากให้เดอวฝันหล่อแล้วปีเดียวกันก็ต้องเข้ารับการผ่าตัดหนึ่งงอที่หลังปอดพออายุสิบเจ็ดปีก็ประสบเพตุรรบกี่ล้อเบียดลูกตกหลายทางขณะซ้อมมอตอร์สิบล้อถูกต้องจ้ะทำให้ใบหน้าที่แข็งแรงลูกได้รับ การฝึกกระแทกแรงกับพื so ้นพออายุส <enne ben> <ness> ิบแปดปีลูกมักจะมีการปวดหัวซีกขวาอย่างรุนแรงบางครั้งปวดมากจนนอนตะแคงขวาไม่ได้เลยแต่พอตัดสินใจเข้าวัดอาเขตในงานเตรียมไว้ให้ดีเขตในเขตในนะอาอานึกวใครอาเตรียมให้ดี ถึงไหนแล้วเนี่ยเนี่ยพอเริกเข้าวัดอพอตัดสินใจเข้าวัดมาสร้างบา ร, รมีอาการปวก็เริ่มทุเลาลงพออายุยี่สิหปีจู่ๆเวลาพูดเสียงที่เปล่งออกมาก็ดังไม่ครบทุกคำเช่นพูดห้าคำจะดังแค่4ครับคือพูดมาห้าคำดังสี่คำนี่นะจ๊ะเมื่อไปหาหมอหมอบอกเป็นเนื้องอกที่เส้นเสียงออให้ไปจี้ออก มันไปโดนจีน้นี่แต่ลูกก็ไม่ไปค่ะเพราะกลัวหมอพลาดจี้แล้วเสียงอาจจะหายไปห้าหรือสี่ยังดีกว่าห้าหรือศูนย์ลูกจิงใช้วิธีอธิษฐานอบุญที่เคยเป็นมรรคเทศและพูดธรรมะอ่าเนี่ยอันนี้น่าศึกษาเลยจ้ะช่วยบุญที่พูดให้คนเข้าใจเรื่องธรรมะชวนคนทำความดีแล้วก็อา ก, การค่อยๆดีขึ้นแล้วก็หายไปในที่สุด จาก5้าสี่ก็เป็นห้าห้าห้าห้า้าวเเจ้าห้าสี่เป็นห้าห้าคือพูดได้ห้าคำก็ออกมาห้านะเล่าสุดท้ายที่เพิ่งเป็นอามายอีกแล้วเมื่อสิบปีคือรูปมีอาการหนาวข้างในมากแม้หน่าร้อนก็ยังหนาวไม่รู้จะแก้อย่างไรครับเหมือนครูผู้ใหญ่เนี่ยที่ใส่เลือเนี่ยมันหนาวใน หลัาจากการป่วยแล้วลูกจะมีความกังวลใจและความโกรธมากอยู่เรื่องหนึ่งที่เกิดมาตั้งต้นคือฝันเรื่องความฝันเพราะลูกคนนี้เป็นคนที่ฝันร้ายมาตั้งแต่จําความได้ลูกมักจะฝันว่าถูกฆ่าตายด้วยวิธีการต่งางๆนานาเช่นโดนยิงตายโดนจับคลอบอด้วยหมอร้อนจน ต, ตาย<อ>ประสบอุบัติเหตุตายในฝันลูกถูกฆ่าหรือประสบอุบัติเหตุโดยจะได้รับความเจ็บปวดเพราทุัวโดนตัวรายทรมานมาก จะต้องรีบตื่นมนมกรแล้วความเจ็บปวดนั้นก็จะส่งทอดไปถึงกายเนื้อแทบทุกครั้งใ<อ>นกระดาษฝันนะจ๊ะเมื่อตื่นจากฝันความกลัวก็ทำให้ลูกจะมานั่งครองไหา้างบ่อยๆแม้ลูกจะได้ขวัดมาสร้างบารมีแล้วบ่อยครั้งที่ลูกฝันก็เรื่องบุญจะตต่สุดท้ายก็ต้องมาจบลงด้วยการตายจนได้อนไลายได้เกิดขึ้นกับลูกจนถูกฝังใจว่าลูกต้องอายุสั้น ไปเห็นนี่จึงทําให้ลูกตัดสินใจอุทิศชีวิตเข้ามาสร้างบารมีแล้วกล่าการที่ลูกจะขับไปกราบปุญญาจารย์ท่านอาเบอท่านจับมือที่ลูกพนมอยู่และพูดว่าให้มาอยู่วัดกับยายนะยายสร้างวัดใหญ่โตเอารอรอเรามาอยู่จึงทําให้ลูกตัดสินใจเข้าว่าในปี2536ค่ะเข้ามาแล้วลูกก็จะไม่ลืมความฝันที่จะสร้างบารมีติดตามครูไม่ใหญ่คะ่ะ ก็อย่าลืมความฝันนะลูกนะคาถามบพุพกรรมได้คุณแม่ตั้งกมพร้าตั้งแต่เล็กแลก้วกโดองนาใช้งานเยี่ยงธาตุแล้วก็โดนทําร้ายร่างกายบพยุพกรรมใด้าๆคุณแม่ไม่ค่อยมีเสื้อผ้าใส่ทำไปคุยเสื้อผ้าจากขยะมาใส่บพุพกรรมใดๆคุณแม่ปวดท้องหาสาเหตุไม่พบและปวดส้นเท้าฝั่งเท้าข้างซ้าย บุพกรรมใดทำใแม่ถูกพ่อว่าให้เจ็บช้าน้ําใจอยู่เป็นประจำและก็ไม่เคยงหันแม่ใช้เลยต้องแต่ขวิบากกรรมนี้อย่างไรคะพ่อกับแม่เคยผูกเวงกันมาหรือไม่และการที่แม่ติดถานไม่ให้เจอกับพ่อเช่นนี้เป็นการทําถูกหลักวิชาหรือไม่และที่ถูกต้องนําแม่คนในในฐานในเรื่องนี้อย่างไรคะ โลูกก็รักพ่อเนะแต่แม่คิดอีกแบบเนาะบ <c oughs> ุปกรรมได้ทําให้พ่อฟันแตกโดนถอนแล้วใส่ฟันปลอมอ <c oughs> ุปกรรมไดทำใ้คุณพ่อโดนไฟดูดแล้วบุญไทยทำให้ท่านฟื้นคะ่ะขณะทึ่คุณพ่อสลบไปและเห็นบ้านเรือนไทยได้เจอ ส, สาวสวยๆ <c oughs> นั่งหม่มผ้าแบบโบราณ น, นั้นเป็นเพราะท่านตายไปแล้วเห็นใช่หรือไม่ หากไม่ทําให้ท่านเห็นเหมือนจริงเช่นนั้นอุปรกรรมใดทางคุณยายเป็นมะเร็งลําคอตายแล้วท่านไปอยู่ที่ไหนเรียรับบุญที่ทิศไปให้หรือไม่หรือมีอะไรฝ่ามาบอกไหมคะบุปรกรรมใดท้พ่อคิดจะทําแท้งตัวลูกแต่หมอเปลี่ยนใจอุปรกรรมใดทําให้ลูกมีฟันสองซี่ตั้งแต่เกิดคะเออน่าศึกษาบุญใดทําให้ลูกเป็นที่อรรักตั้งแต่แรกเกิด และก็เป็นที่รักของพี่น้องมากโดยเฉพาะพ่อและบุพกรรมใดลูกตั้งเกิดในครอบครัวจะมีพี่น้องมากและญาติพี่น้องเยอะค่ะบุพกรรมได้ทําให้ลูกเป็นเยื่อหุ้มสมองอักเสบและได้รับอุบัติเหตุทางสมองอยู่บ่อยครั้งอีกทั้งยังปวดหัวข้างขวาอย่างรุนแรงและยาวนานค่บะบุพกรรมใดเยอะจังเลยเอ็นข้อเท้าซ้ายลูกถึงขาด และมีผล ก, การได้และการป่วดมาจนถึงปัจจุบันและบุพกรรมใดอีกแล้วลูกถึงเป็นเนื้อ ง, งอกที่หลังปอดจนต้องผ่าตัดครับ<อ>และบุพกรรมใดอีก <c oughs> ช่วงที่ลูกอายุครบยี่ห้ <c oughs> าปีจิจูก็เปลงเสียงออมาได้ไม่ครบทุกคำํำในพูดแล้าหายได้พระบุญใดครับ <c oughs> และบุพกรรมใดอีกที่ทําให้ลูกเป็นโรคหนาวในเนี่ย<อ>ต้องแก้ไขอย่างไรตกลงเราจําได้กี่บุพกรรมแล้วเนี่ยโอ้เยอะและบุพกรรมใดลูกถึงฝันว่าโดนฆ่า ปัญาโดดปฏิเหตุเป็นประจำํำอีกตั้งความเจ็บปวดยังส่งทอดไปถึงกายเนื้อได้ลูกต้องแก้ไขอย่างไรคะแล้วทาไมไม่ลูกไปกราบปุญญาจารย์ครั้งแรกท่านถึงชวนลูกเข้าวัดทันทีท่านเห็นอะไรในที่เลยคะแล้วทาไมลูกถึงมีความรู้สึกลึ ก, ล ก, ลกตลอดเวลาว่าอยากอุปถัมภ์ครูบาอาจารย์กับเขาสักคนหนึ่งแล้วลูกจะต้องสร้างบาานอะไรเป็นพิเศษนอกเหนือจะกกมามปฏิการคะและลูกจะสมหวังในชาติไหนคะน ก็ชาติหน้า hehe, ชาติหน้าแล้วพ่อแม่ตัวลูกสร้างบรมีกมูขนะมันในรูปแบบใดลูกใครก็ถึงรรมกายไหมทำนาทีอะไรบรมสร้างบรมีกมูขนะกี่รอบยังก็เคย อุมมาสร้างบารมีกรบหมูนะขี่เล้าจำเรื่องราวและคำถามได้ไหมจ๊ะจำได้ครับหลับตาฝันเป็นตัวเป็นตะเลนขึ้นมาข่าหนึ่งทีแล้วก็นำมาล่ฟังเป็นนิยามปารัมปรากันจ๊ะ แม่เล็กๆกำพระแข่งแรงแข็งแรงกับแข็งแรงเมรบทับจับสึกเนาะกำมพระตั้งแต่เล็กสุขคุณอาใช้เยี่ยงทใช้เยี่ยงท่าและโดนทำร้ายร่างกายเพราะได้ดีท่านนำทานมันน้อย จึง ท, ทำให้กรรมตรรณีได้ช่องส่งผลให้ลำบากบต้องถูกใช้เยี่ยงทาตกกรรมกรรกาเมจะชูในสมัยที่เป็นผู้ชายมาส่งผลในครอบครัวแตกแยกต้องไปอยู่กับญาติแล้วก็ถูกใช้เยี่ยงทาตุยาคณแม่ไม่ค่อยจะมีเสื้อผ้าใส่ต้องไปคุยที่กองขยะเพราะกรรมแนอดีตเด็กเคยเป็นเศรษฐีคนเคยรวย มีข้าทาสบริวารมากมักจะใช้อารมณ์รุนแรงกับทาสโดยทุบตีลงโทษอยู่เป็นประจำแล้วก็ไม่ค่อยได้จัดหาเสื้อผ้าให้บริวารใช้วิบากกรรมนี้มาส่งผลให้มาโดนบ้างจ้ะเป็นแค่เศษกรรมในชาตินี้ส่วนของกรรมน่ะเจอมาเมื่อชาติก่อนอ น, น่นโดนหนักกว่า น, นี้จ้ะ มิเศษเนีคนแม่ปวดท้องโดยหาสาเหตุไม่พบและปวดส้นเท้าฝาดเท้าซ้ายพระแนด่ดีมักจะลงโทษทาตโดยไม่ให้ทาตกินข้าวจนทาตหิวทรมานมาส่งผลให้เป็นโรอปวดท้องกับบางครั้งเวลากระโดดก็มักจะตึบตึบเท้าตัวเอง และตืบเท้าใส่ธาตุกรโกดข้าก็ฝึกฝ่าพลังฝ่าเท้ากับพื้นแล้วกับพลังฝ่าเท้าก <c zet> ับใส่ธาตุบ้างอย่างนี้ไงใครใครใครใครฝึกพลังฝ่าเท้ามึงทั้งหมดนั้มารวมส่งผลแช่คุณแม่ถูกคุณพ่อว่าให้เจ็บช้ำน้ำใจอยู่เป็นประจำ และก็ไม่เคยให้เงินแม่ใช้เลยเพราะวัจีกรรมในชาติที่เป็นเศรษฐีดังกล่าวได้ด่าว่าข้าทาสบริวารอยู่เป็นประจำและก็ไม่คอยจะดูแลเรื่องปัจจัยสีโดยแค่เลี้ยงดูทาตตามมีตามเกิดเท่านั้นเราะมาส่งผลจ้ะเจ อ, อ, อวัจีกรรมมั่งแล้วก็เลี้ยงตามมีตามเกิด เป็นกรรมเก่าของแม่จะเป็นกรรมใหม่ของพ่อพ่อกับแม่ไม่เคยผูกเวรกันมาจ้ะที่ที่ถามว่าไม่ให้เจอกับพ่อนั้นก็ยังไม่ถูกหลักวิชาที่ถูกต้องต้องประกอบเหตุใหม่หรือสร้างบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ พูดปิยะวาจาไปราะอ่อนหวานต่อทุกๆคนอีกทั้งสงเคราะห์ญาติและกำมานติฐานจิตให้ได้ไปเกิดให้ได้ไปอยู่ในครอบครัวที่ดีมีศีลธรรมมีศรัทธาศีนิฐิเสมอกันจ้ะนี่ถึงจะถูกหลักวิชานี่นะจ้ะพ่อฟันแตกโดนถอนทั้งปากแล้วต้งใส่ฟันปลอมเพราะ พิจาริยกรรมทั้งแนวดีและปัจจุบันพูดเขาแจกแยกกันกับพูดแบบเนบแนมถากถางแม่อยู่เป็นประจำระส่งผลจ้าคุณพ่อโดนไฟดูดแล้วฟื้นึ้นมาด้วยวิบากกรรมได้เคยไปชอดปลามาส่งผลฟื้นึ้นมาได้โดยเพราะกระบุญที่ทําในพุทธศาสนาในปัจจุบันประสค์ผลด้วยขณะที่คุณพ่อสลบไปได้เห็นบ้านไม้เรือนไทย ได้เจอ ส, สาวสวยใส่เสื้อผ้าแบบโบราณแล้วก็มุดลัวเข้าไปคุยนเนี่ยก็เป็นคตินิมิตของท่านแต่ไม่ได้ไปเห็นมาจริงตามกําลังบุญของท่านตอนนั้น<อ>เป็นคตินิมิตตามกำลังบุญท่านตอนนั้นถ้าท่านตายตอนนั้นออกไปแน่เลยไปเป็นภูมิมเทวาชั้นดี<อ>แต่พอดียังไม่ตายยังไม่ตาย<อ>มีโอกาสสร้างบุญได้เอยอะคุณยายเป็นมะเร็งลําคอเพราะกรรมฆ่าสัตว์ธรรมหาทั้งในอดีตและปัจจุบัน โดยเชื่อดคอสัตว์มารวมส่งผลจะตายแล้วก็ไปเป็นภูมะเอาภูมะเทวาสายสายยักษ์ยยกถูกต้องแต่เอเป็นยักษ์เนีระดับภูมะเทวาเพราะอะไรอะมักรอามักรกับบุญที่ทำไว้ในพุทธศาสนาได้ร <c oughs> ับบุญที่ติดไปแล้วทำให้ท่านมีสภาพที่ดีขึ้นทุกด้านจ้ะ ปาขอบคุณอนุนโมทนาบุญปติทธรบุญอุทิศไปให้ทันด้วยจ้ะพ่อคิดจะทำแท้งตัวลูกแต่หมอเปลี่ยนใจเพราะกรรมในดีสมัยที่ตัวลูกเป็นผู้ชายเคยเคยโปรยเสน่ห์ <c oughs> จะตัาให้ <c oughs> ทำให้ผู้หญิงทอ้อแล้วก็จะให้เข้าไปทำแทง้ง แต่ต่อมาเปลี่ยนใจในภายหลังหลว้ธงบุญที่เคยทำกับโมโคณนะโมโคณามาช่วยคุ้มครองรักษาไว้มาส่งผลจ้า โ, โตรูกมีฟันสองซี่แ ต, แต่เกิดพระมันไม่ใช่ธรรมดานนะคนแ้ก็มีสองซี่ เ, เลยเพราะบุญที่เคยสอนเด็กให้สวดมนต์ไหว้พระตั้งแต่เด็ก และบุญที่เคยชักชวนพี่น้องแน่ดีให้สร้างบุญจ้ะโอ้สาธุแล้วก็ยังอธิษฐานด้วยว่าเกิดมาขอให้พูดได้แต่บุญยังไม่ถึงยังไม่เต็มที่จึงมีฟันอยู่แค่สองซี่จ้ะออนี่ถ้าหาก็บารมีเต็มที่ ฟันเต็มปากพูดได้เลยออนนี้เห็นไหมไม่ทำมาได้แม่บรลมโพยสัตว์เนี่ยพูดได้แต่เกิดเนี่ยเพราะมีฟันครบหมดพูดได้แต่ที่อธิษฐานมาดีเส้นทางบรลมโพยสัตว์แต่ว่ายังไม่สมบูรณ์ก็เอาไปสองซี่ก่อนอันนี้งานงไงเออเก่งเหมือนกันนนเก่งเนี่ย เป็นที่รักของทุกคนโดยเฉพาะ พ, พ, พระพระมีบุญเลี้ยงดูบิดามารดาและสงเคระาะห์ญาติระส่งผลกับเคยเป็น ญ, ญาติกับพ่อและเคยเกือ้อกูลกันมาในอดีตจ้ะ<อ>เลยเลิฟมากเกไดในครอบครัวที่มีพี่น้อง ม, มากและญาติเยอะเพราะในอดีตเคยมีบุญสงเคราะห์เกือ้อกูลญาติพี่น้อง ม, มามากอีกทั้งได้อธิษฐานเอาไว้ว่าให้เกิดในครอบครัวที่มีญาติเยอะออะืม พี่นออางเะเพราะอบอุ่นดีคล้ายๆเจยวเจ้าดีมึงเป็นเอืนแปลกนึงเคยถามมารดาบางคนเอ๊ะทำไมมีลูกเยอะแยะอย่างี้แล้วรู้สึกไงมึงชอบอะไรทำไมอ่ะเห็นเขาฟ้องฟ้องเห็นฟ้องเห็นเดินตามมันขบวนเลยนะ ฟ้องแม่อยากให้แม่ฟังตัวก็<อ>เดินเห็นเดินยิ้มไปเฉยๆแล้วก็ไปนอนหลับบอกว่าฟังเพลินดี<ง>ที่ลูกฟ้อ ง, องนั่นฟ้องนี่ฟ้อง่แต่คนนฟ้องมานู้งคนนี้ไอ้ก็แปลกมันดดอยังงั้นอือแปลกบนันได้เนี่ยไม่ใช่แปลกคนตัวลูกเป็นเยื่อหุ้มสมองอัเสบและได้รับอุบัติเหตุ ทางสมองบ่อยอีกทั้งปวดหัวข้างขวาอย่างรุนแรงและยาวนานพราะกรรมแน่ดีที่าสัตว์ทำมหารโดยเฉพาะทุบหัวสัตว์ก่อนหลายๆชาติมาร่วมกับกรรมที่ได้เป็นทหารที่ข้าและทำร้ายข่าสึกเป็นจำนวนมากมาส่งผลเอ็นข้ท้าข้างซ้ายลูกขาดทำให้ผลมีผลตกการเดินและปวดจนถึงปัจจุบันเพราะนดีสมัยเป็นทหารได้เคยทำกับดัก ข้าศึกที่ลาดตะเวนจนทําให้ข้อท้าข้าศึกบาทเจ็บเดินไม่ได้มาส่งผลจ้ะแต่ปัจจุบันนี้นเป็นเศษจําแล้วอโอ้ยแก้ไปเยอะแล้ว<า>นี่มันเหลือมาแค่สิบเอร์เซเก็บไปเก้สาสิบอร์เซ็เป็นหนึ่งอาอที่หลังปอดจนต้องผ่าตัดเพราะกรรมในดีที่เป็นทหารได้ยิงลูกศรไปโดนข้าสึกในบร<า>ิบเวณปอดมาส่งผล จะเป็นแค่เศษกรรมแล้วอืมเหลือสิบเปร์เซ็นเหลือสิบเปร์เซ็นเก็บเอาไปเก้าสิบช่วงจนลูกอายุครบ25ปีจู่ๆก็เปล่งเสียงคำพูดออกมาไม่ครบทุกคำพระประวัติกัรในอดีตตอนช่วงบวชเป็นพระในสมัยเต็มพระผู้ชาย<ะ>ชอบว่าพระอาจารย์พระพิเลี่ยงรับหลังบ่อยๆมารวมส่งผลเจ้อ า, อ, าอ่าในาสรารภาพซะสารภาพบาปเสว่าไป ว่าพระอาจารย์มัมีเลี้ยงรับหลังมีไหมกลับขอขอมา <laughs> <laughs> <laughs> เตรียมให้ดี<ห>นี่ห้าสี่เจ้าห้าสีหรือห้าห้าห้าห้าอ๋อห้าห้านะเอา 5, 5, 5. ห้าสีหรือ 5, 5. ห้าห้ า, า 5, 5, 5. ห้าห้าอ๋อาห5าก็5 5ห้า หายได้พระบุญที่ได้กล่าวธรรมะเชิญชวนคนทำความดีทั้งในอดีตและปัจจุบันมาส่งบุญแช่เม้นโรคหนาวในพระอดีตอาการเสกไปามเป็นทหารได้เคยสั่งทหารผู้ตาบังคับบัญชาให้ลงไปแช่ในน้ำตลอดทั้งคืนเพื่อลงโทษหลายครั้งบรรทมส่งบุญช่ให้ลูกสั่งสมุญทุบุญทั้งทานศีลเจริญภาวนาปล่อยศาสตร์ปล่อยปลาทำบุญด้วยเครื่องคันหนาว แล้ทิดบุญนี้ไปให้แก่ผู้ที่เราเคยไปเบียดเบียนเขาไว้จ้ตัวลูกมักโดนว่าฝันว่าโดนฆ่าฝันว่าโดนอุบัติเหตุเป็นประจำอีกทั้งความเจ็บปวดยังถ่ายทอดมาถึงกายเนื้อได้เพล่ความได้ดีทําไม่ได้หารได้เข่นฆ่ากับศึกด้วยความโกรธจานวนมากมาใช้เห็นเป็นกรรมมนิมิจฉะ<อ>จะแก้ไขก็ต้องสั่งสมบุญทุบุญทุกทานศีลภาวนาให้ชีวิตสะเป็นทานมากๆแล้วทิดบุญกุศลนี้ไปยังผู้ที่เราเคยไปเบียดเบียนเขาไว้จ้ เมื่อตัวลูกไปกราบคุณยาครั้งแรกท่านชวนคาว่าทันทีพระเป็นผนัก่บุญที่ตัวลูกได้เคยสร้างมากระมูคกณกนนะได้เคยเบือกระมูคณะมาส่งปณิกุญาจารย์ท่านชวนจ้ตัวลูกไปความรู้สึกลึกๆอยากอุ ป, าาา ป, ปถาครูบาอาจารย์พระอืมในดีตอนช่วงบวญใหม่ๆก็ได้รับน้าที่อุปถามพระเถระอยู่ระยะหนึ่ง ม, มาบรรนานให้เกิดความรู้สึกเช่นนั้นจ้แต่ตัวลูกอากท้ทหน้าที่อุปถามครูบาอาจารย์ก็ต้องสั่งสงมุญบุญทั้งทานศีลภาวนาสม่เสมอ อราทิศาจิตนั้นเมื่อบุญเต็มที่ก็จะส่งผลได้เป็นไปตามความปรารถนาในชาติใดชาติหนึ่งเจ้าต้องต้องบุญเต็มที่ด้วย ค, ความปรารถนาที่จะสมหวังพ่อแม่สมร้างบารรมีกับมู่คณะมาโดยเป็นกองเสบียงประเภทตามอารมณ์บ้างทําเองบ้างไม่ทาบ้างอาทำบ้างไม่ทำบ้างนั้นบ้างชาติก็เจอหมู่คณะบางชาติกไม่เจอกันจ้าส่วนเจ้ลูกพุทธนาธิพา์มาได้เป็ น, าารนพระอาะชารย์กัมราชองค์ที่ออกบวช จะเอาบวชตามพระราชามาุบวชแล้วก็ทำนติี่วยแผ่ตลอดชีวิตอีกผลการปฏิบัติธรรมได้กระทึงดวงธรรมใสๆของพระจิสัยพอประครองตัวตัวรอดกลับรู้สิตบุรีได้เลยลงมาสร้างบรารมีทั้งสองรอบจ้ะตอนเป็นทหารหนุ่มกาา่อนบวชก็เจ้าชูมากพระรูปงามคารมก็ดีจึงมีสาวมากมายจ้ะ เจงสมหวังได้เป็นผู้หญิงในชาติน<ช>ี้สมหวังได้มาเป็นผู้หญิงแล้วลชาตินี้ไปเจงแล้วให้แต่งใจทราบบารมีเต็มที่ดีทุกเวลาติดารเจ็ดตามเต็มไปด้วยิบุรีว่องบนพิเศษเขตบรมประริษศต์จะได้พลัดกันเลยจา้าสาธุนี่ก็เป็นเรื่องราวงเคสตัตตีสั้นๆสําหรับคืนนี้